พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่22โดยหลวมพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าอดทนต่อไปขอเรียนเชิญคณะทุกท่านนะครับได้ร่วมไหว้พระพร้อมกันครับ อระรหังสัมมาสัมพุทโธโอภะคาวพุทธังภะคาวันตังอภิวาเทศีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาศีลังวิโสทายะเาขาโขโกเข้ามากระซิบกระซาบหลวงพ่อเมื่อกี้นี่บอกว่าให้หลวงพ่อกล่าวสมโมัธนยกถาเรื่องเกี่ยวกับงานวันนี้ งานวันนี้นวิวนับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันที่16กันยายนพุทธศักราช2560แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอที่มานั่งอยู่ต่อหน้าของหลวงพ่อเนี่ท่านได้มาเป็นประธานมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านวังแค่อันสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่แดที่9้าพุจจิกายนพุทธศักราช2559ห้าคือปีที่แล้วนี่ไม่คาดไม่ขินไม่คาดไม่คิดว่าน้ำจะท่วมอำเภอนายูงแต่วันที่แดที่เก้าน้ำานนทะลักมาจากวัดหลวงพ่อสดเนี่ยตามไม่จริงน่าจะตำหนิหลวงพ่อสดที่นั่งอยู่ข้างซ้ายของหลวงพอ่อปล่อยให้น้้ำลงมาท่วม <laughs> โอ้ไม่คาดไม่คิดคือฝนตกอย่างแรงมากตั้งแต่สีทุ่มจนถึงตีสีไม่เคยขาดเม็ดเลยแบบเทลงแบบตรงมาจอกท้องฟ้าเลยเป็นเดือนที่ชาวบ้านกําลังเก็บเกีเ่ยวข้าวตากไว้ในคันนาเนะเกี่ยวไว้ตามท้องนาพอน้ำมาเท่านั้นแหละมันลวดมาเนเหมือนกับอำเภอนายงเขตอำเภอนายงเนี่ยเป็นล่องน้าเลย มันไหลทะลักลงไปนู่นแหะบาดนี้ไปไปถึงวัดหลวงพ่อมันมันกระโดดข้ามกำแพงน้ำนะกำแพงของหลวงพ่อค้นและนีและนาดเนี่เ้สะพานก็ขาดกำแพงก็หอกล้มเพราะมันขุดกำแพงไอ้อพวกข้าวที่ไปจากเนี่ยนะจากบ้านเพิ่มบ้านวังแคบนาแคบแถบแถบนี้แหละมันลอยออและเริงไปหมดเยนีนะ่ไปติดอยู่นู่นนะ ไปติดอยู่ที่วัดของหลวงพ่อเน่ะติดกอภัยว่างติดปลาว่างไอพวกข้าวทั้งหลายแหลโอ้มันก็ดีเนี่ยเป็นอาหารของเป็นอาหารของหนูของกรหอกกระแตเอางั้นเถอะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละเกิดความเสียหายอย่างมากปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เพึ่งซ่อมเสร็จเมื่อเดือนมีนาเมษาวัดนะแล้วก็ทราบข่าวว่าบ้านวังแค่ ก็มีอาคารหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านผู้วาราชการจังหวัดท่านก็ดูในพื้นที่ของท่านท่านเลยออกมาดูจากนั้นท่านก็เลยมาร่วมกันสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาดูแล้วก็อย่างที่โคศกพูดเมื่อกี้นี้ท่านเป็นท่านผู้วาราชการของเราเป็นผู้กว้างขวางในหมู่ในคณะพอสร้างขึ้นมาท่านก็บอกเออขาดคอมพิวเตอร์นะขาดนูน่นขาดนี้นะนี่แหละ ผู้ใหญ่ท่านมองไกลาจากนั้นท่านก็ต่างคนต่างขนออกมาขนบริษัทนั้นห้างร้านนี้ขนพัดลมมาให้ขนเครื่องออคอมพิวเตอร์มาให้สายไฟมาให้อะไรกนะแปลว่าบริบูรณ์บอกว่าสมบูรณ์มากโรงเรียนอำเภอนาอยูงของเราเนี่อิจฉารโรงเรียนบ้านมางแคเลยแหละงานเถอะนี่แหละท่านโพศกพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้นี่แหละ อันนี้ก็คือเป็นโรงเรียนของพี่น้องประชาชนก็ขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นี่ให้มีกําลังใจสอนลูกสอนหลานถึงจะได้อาคารเรียนแนวอาํานวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์พรีเตอร์อะไรทุกอย่างแต่ถ้าว่าครูไม่ใส่ใจครูบาอาจารย์ไม่สนใจนักเรียนก็ด้อยเหมือนกันนะ หลบแล้วแต่ก่อนหลวงพ่อเองก็คิดว่าโอ้นักเรียนอยู่ในเมืองของเขา เ, เขามีประสบะการณ์นักเรียนเขาฉลาดพ่อแม่เขาได้รับการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนอยู่ในเมืองเขาดีกว่าบ้านนอกเก่งกว่าบ้านนอกแต่พอต่อมาหลวงพ่อมาส่งเสริมในการศึกษาสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆแต่ที่มาเห็นโรงเรียนโรงเรียนบางโรงเรียนเขาใส่ใจในการสอนลูกศิษย์ลูกหา ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนท่าโสมบ้านท่าโสมเนี่ยนะเอทีนี้เขาสอนนักเรียนของเขานะโอ้โหเขาได้รับรางวัลไม่รู้ว่เท่าไรต่อเท่าไร่ไม่ใช่ธรรมดานระดับประเทศตัวนะได้รับจากพระเทพอีกต่างหากหลวงพ่อได้ยินมาถามว่าเขาได้มาอย่างไงเขาว่าเขาฝึกเขาสอนหลวงพ่อก็เลยเออนี่แหละถ้าหาว่าครูบาอาจารย์ให้การแนะนําสั่งสอนดี นักเรียนก็ดีเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเฉลียวฉลาดได้อยู่แล้วแต่ว่าผู้นำหรือว่าครูบาอาจารย์เท่านั้นแนหะรู้จักวิธีการสอนจะสอนอยังไงเด็กของเขาจึงจะได้รับความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้อันนี้ขอมอบให้กับครูบาอาจารย์อุปกรณ์การเรียนการสอนไปว่าบ้านวังแค่ของเราเนี่ยพร้อมแล้วนะ ต่อไปหลวงพ่อเองอยู่ในเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในถิ่นนี้นะหลวงพ่อก็จะคอยฟังว่าเป็นยังไงอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านวังแคแล้วผลแลการเรียนการสอนจะเป็นนี้ไม่ว่ากันนะมันใกล้แล้วนะปีหน้าหลวงพ่อจะคอยฟังว่าเป็นยังไงโรงเรียนบ้านบ้านวังแคเนี่ยจะได้เป็นฮีโร่ถ้าเป็นผู้นําในเขตอําเภอนายูงไหมนะขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์นะ อให้ช่วยช่วยกัน เ, เรียกนการสอนนะแล้วก็ว่านบ้านวังแค่นี่นะเอหลวงพ่อเองสมัยเป็นผ้าน้อยผ้าหนุ่มเอาอาตมาเองเล จ, จะเล่าประวัติให้ท่านผู้ว่าได้ฟังเหมือนกันะหลวงพ่ อ, อนเองนี่มาอยู่ในถิ่นนี้มาอย่างไอหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ปีสองเคยมาเที่ยวที่นี่ตั้งแต่ปี25งพันห้าร้อยสิบหกนะคณะตาญาติโยมนะเอพอมาเนี่ย ขึ้นมากันมาเนี่แหละมาจากเขาขาดมาจากบ้านนาเกนเนี่ยจากนั้นก็ผ่านบ้านนายวงเดินทางผ่านมาหน้าวัดนาคำน้อยเนี่ยไม่มีถนนนะสมัยนะั้นเป็นถนนเป็นถนนทางคนเดินนะามาจากอําเภอหนึ่งเขามาพักอยู่บ้านนาคำน้อยนะมาพักอยู่วัดบ้านเขาวัดบ้านก็ไม่มีพระหรอกเห็นบ้านเงียบเงียบบ้านประมาณแปดหลังคาสมัยนั้นนะเออ แต่ลุงพ่อก็พักอยู่นี่ย น, นะพอพวกในเช้าไปบิณธบาติาบิณธบัติใส่บาตร3มสี่ห้าคนจากนั้นก็เนพ่อของอาจารย์เฉลิมเนะี่ยเป็นคนยโสโซทอนเลยอาจารย์เฉลิมภูเหลิมนะเนี่ยท่านก็มาจังขันสองสองคนหนระืสาคนนะจากนั้นก็เงียบแบบพูดเท่าแบบคล้ายๆแบบชาวบา้านเลยเงียบสงบที่สุดเลยเหมือนขบวนอะไรตายอยากลักษณะอย่างนั้นหลุงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นว่าโอนิจัยบ้านนอกบ้านนาะเขาคงจะกเกรงใจพระ เราก็ไม่ได้ถามอะไระจากนั้นหลวงพ่อเสียและกับฉันอย่างนั้นครูบาจะไปที่ไหนฮะโอ้จะไปนู่นละ่ะอจะไปบ้านนาคําใหญ่จากนั้นก็เนี่ยพวกตู้มอกพวกสามสี่ห้าตู้ผู้เท่านะเขาก็เลยมาก็เลยพาบาทภายภายบาทมาส่งมาก็มาผ่านโรงเรียนบ้านนาคำใหญบ้านนาคำน้อยเนะี่ยพอมาเห็นเห็นถังน้ำํำถังน้ําสี่เหลี่ยมสํานักสังกนะสีน้ํา่ะ เห็นเป็นรูเป็นรูเหมือนเอามีดฟันลักษณะนั้นนล้ก็เห็นไฟไฟเผากุ่นกุ่นกุ่นอยู่หลังโรงเรียนเอ่อเราก็ถามว่านะั่นเขาเผาอะไรเขาว่าเป็นค่ายตัวฉดค่ายตัวฉ ด, อดเอ้าทําไมเอ่อทำไมถัมงน้ําเขาทําไมเอามีดฟันทําไมทั้งสามสี่ใบเนี่ยน่าเสียดายใหม่ๆอยู่นี่ยนะเอ่อยังใหม่ทําไมเอามีดฟันเล่นวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลงพ่อขอมันนิดเอาปืนยิงเขาเอ้า มีคอมมอนเนสอยู่แล้วเราจะถามอีกคนหนึออ่อแถวนี้มีคอมมอนเนสอยู่แล้วเขายังไม่พูดเลยนะเพราะเขากลัวอยู่แล้วพพราะจริงเขาจริงเมื่อวานมันก่อนนี่เองเหมนะือนกันยังเผายังกุ่นๆ น, นี่นนละหลวงพ่อไม่รู้จักคอมมอนเนสทำไม น, นั้นวนะันนี้มาที่อำเภอนาโยงนะ่ยบ้านนาคำเนะีจากนั้นหลวงพ่อก็เขาก็ได้ส่งมาบ้านนาคำใหญ่ตอ น, นาคำใหญ่ก็มาพักอยู่ที่อห้วยทับครัวตีนเขาผูก้อน น, นั่น มาปีกวิเวกันโอ้โหหนาวหนาวไม่มีหนาวน้ำค้างในตะกอนอาเภอนายโยเหมือนกับหาฝนเลยละเอดพวกกดพวกมุ้งเนี่ยเปียกมุดกลางคืนนะนี่แหละแต่พอพักอยู่นั้นประมาณสักหนึ่งอาทิตย์มั้งเห็นเนี่เห็นทหารมุดปาเข้ามาควักค่าเขา่าเข้ามาเอ๊ะมันหมุนป่าแล้วเป็นอะไรที่ไหนได้เป็นทหารเหมือนกัอเลกเขามาถามท่านมาจากไหนฮะ เราก็มาจากโน้นแล้วมาจากแถวบ้านตาดดังโน้นล่ะพวกทหารกับทหารเมืองอุดรเนี่ยเขาก็รู้จักว่าบ้านตาดอยู่ที่ไหนยังไงเราก็ถามว่าอยู่ที่ไหนล่ะอยู่บ้านน้าสงเขาวัญนะอยู่น้ําสงน้ําโสมเนี่ยแหละแผมมาลัดตงเวนใช่ไหมเออเอ่อกูบามาอะไรหรือมหาภรวนาแล้วไม่มาอะไรหรอกะมาด้วยกันสามองค์อยู่ด้วยกันสมองค์เดแยวนี้วะจากนั้นหลวงพ่อก็อยู่ที่นั่นจากนั้นก็ได้ย้ายมาบ้านวังแค่เนี่ย นี่นมาถึงบ้านบางแคก็หนาวมากเลยมาพักอยู่ที่วัดบ้านเนี่ยนะที่มีพระพุทธรูปอยู่นั่นที่ศาลามาพักอยู่ด้วยกันสมองค์นะจากนั้นก็มีผู้ใหญ่บ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่พอมาพักอาบน้ํำอาบน้ําห้วยล่างอะไรแล้วลงไปอาบน้ํากับพวกขี้ควายขี้วัวขี้ควายที่มันอยู่ในน้ํานี่ยอาบอาบน้ําในคลองกันเลยพออาบขึ้นมาไปอยู่พักที่ศาลาพอแล้วก็พราะมันหนาวมาก พักคนล้วคนละมมกันอ พ, อพอพักเสร็จแล้วจํนไดชาวบ้านวังแค่นี่นะมีตู้บานนะผู้ตู้บานบ้านเพิ่มน ะ, ะเป็นหัวหน้าพวกผู้เฒ่าเคยในที่นี้เป็นผู้รู้จักมักคุ้นกับใครๆนะตู้บานนะผู้ราบกันเลยพาพวกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่บ้านพออะไรลงไปอพอไปใครๆบอกถ้าหากว่ามีพระเข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้านเขาจะลงไปนะเอาขัน ดอกไม้บัง้งเอาบุหรีบังางหมากบังางแล้วก็ของพวกน้ำตาลูา้น้ำอ้อยนะี่นแล้วเอาไปถวายพระเทศหลวงพ่อก็นั่งนอนอยู่กันก่อนจองอยู่คนละมุมกันอพอเสร็จแล้วเห็นกระบองกระบองกระไตนะตะไตะที่ใตมาใส่น้ำมันยางเป็นพรมาก เขาดูแลกันหลวงพ่อเอ้เอไปออกไปไปไปรับแขกหน่อยนะวะเพราะต่างคนก็ต่างมันหนาวใช่ไหมเกี่ยงกันวะนะ่ะเเอเขาว่านคูบานัีนแหละเป็นผู้ใหญ่ต้องออกไปรับเราก็ออกไปไไม่รู้จะพูดยังไงกับโยมเธอเนี่เยเพระมันออกมาจากบ้านตาดใหม่เอเห็นคนในก ล, ลัวอะไรแรงงานเถอะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ในตู้บานนี่เขาก็มาอพวกขน้อยมากเห็นคู่บ้าจานมากอะมากราบมาไวา แม่มาขอศินขอพรแม่ขอไหวพระแล้วก็รับสินตามประเภทนี้เห็นกูบาร์จานมาหมู่ถึงหมู่บ้านแล้วก็มากราบมาไหวแล้วก็เอานี่แหละเอาดอกเอาพวกขันมากาพวกยาสูบมาถวายเออเอาไหวาพระซะจากนั้นเขาก็ไหวพ้พระใช่ไหมพอไหว้พระจบเลยแล้วอาลางังสวาสดิโตัวจากนั้นเขาออกอาราธนา อาราธนาศินมายางพันเตติสระเนนัสหะเพราอาราธนาศินจบเรียบร้อยแล้วก่อนคิดว่าเขาจะจบเพียงแค่นั้นเลยแต่นดี้เขาอาราธนาเทศจะเนี่ยพมมาจะโลกาบัดตายตายตายตายกูตาย e เราจะเทศเขาว่าย huh? ังไงจะเนี่ยเรายังไม่เคยพูดกับคนเลยตายแต่ตายตาพมมาจะโลกาติปติสหัมปติพอเสร็จแล้วก่อเออเอาอยากจะฟังเทศเหรอ ถ้าพูดแท้แต่ครูบาอาจารย์จะเทศอะไรให้ฟังเราก็เราก็ไม่รู้จะพูดยางไงเราก็บอกเออเอาเอ า, เาตั้งใจฟังนะวันนี้มันหนาวคงจะพูดอะไรมากมายไม่ได้หรอกแต่ตั้งใจฟังหลวงพ่อเขาพูดว่าทุกคนพวกเราทุกคนถ้าหากว่ามีความอดทนอยู่นักสถานที่ใดดีทั้งหมด เพราะนั้นให้พวกเราทั้งหลายอดทนเอาเอาทอนนี้แล้วพอเขาก็ซ่าทุกข์เขาเลยนะพอพ่อซาทุเจแล้วก็เอากลับเขากลับซักหลวงพ่อกระกลับเขาก็เลยกลับแล้วก็กลับไปพอกลับไปว้หลวงพ่อก็มุดขามวงกันนอนต่อได้มันหนาวใช่ไหมตีนี้พุ่งี้เช้ามากับผู้ใหญ่บ้าน จึงจำชื่อไว้ได้กับพวกชาวบ้านลูกหลานเขาก็มาถกเถียงกันว่าเนยแอบคูบามาทำอะไรเอ่ยมหาภาวนาแล้วว่าที่ไหนที่มันที่มันสงบสงัดมีน้ําด้วยนะยมีใกล้น้ําด้วยแล้วก็สงบสงัดห่างไกลจากคู่คนไปมาสะดวกพอสมควรนะจะไปพักที่นั่นหล่ะเขาก็มาถกเถียงกันท่นเนยคนหนึ่งเอาที่หนึ่งคนหนึ่งเอาที่หนึ่งคนหนึ่งว่าป่งแดงนะอที่่วาไปป่งแดง โอ้ผงแดงหน่งผีดุนะขวากันนะเออผีดุคล้ายๆว่าสมัยนั้นไปบอกไม่มีใครแตะเลยละคนหนึ่งบอกว่าเอ้ที่เนี่ยะที่น้ําพุ ท, ที่ต้นมะ่อน่ะที่หนาตู้บานเหมือนกันเนี่ยไอ้น้ําพุน้าน้าพุทก็ทมาจากุกดตินเลยพุ่เป็นพุ่งขึ้นมาเลยน้ําเขียวน้ําเขียวใสเ่มือนกันน่ะมันมาจากไหนก็ไม่รู้น้ำตัวนี้มันแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกวันนี้นะ แต่เน้่ยเขาก็ได้มนไปเขาก็ถกเถียงกันสองคนบอกตัวนั้นไกลกว่าแต่ว่าน้าสะอาดดีกว่าที่ลาบกว่าเอาไปพักเอาไปให้ไปภาวนาที่นั่นละ่ะเป็นที่ดินของตู้บานอีกต่างหากเออเอาเราก็เขาก็พาไปในะตอนเช้าพ่อไปถึงที่ทะนี้นะเราก็เออเอาไปนั่งพักแรงนะผู้ใหญ่บ้านพวกนั้นไม่ถางเปลา่ายเพราะเขากลัวผีใช่ไหมละ่ะ เพรามันมั น, ม, นมันเข็ดจริงๆนะครว่าเวลาถ้าไปทําผีดเด็กน้อยมันร้องโหยวิ่งเข้าไปในป่านี่เออต้องได้เอาจํา ม, มาแล้วเอาเอาไข่เล่าหายไก่ตัวคนนะั้นมาเลี้ยงจะค่อยเห็นขนเหมือนกนันเถิดจากนั้นเขาก็เลยเข็ดนะเขาญาติเขาญาติผีเนาะหลวงพ่อเอยเอาทําความสะอาดเนี่ยถังปลาจากนั้นเขาก็เลยถางป่า เออพ่อถ้าหลวงพ่อไม่บอกเขาไป่ถางนะเขากลัวเหมือนกันแตเพราะต้องต้องได้รับคําสั่งจากหลวงพ่อก่อนผีก็ผีก็ต้องการความสะอาดคนก็ต้องการความสะอาดพระก็ต้องความต้องการความสะอาดเอาถางเลยชาวบ้านเขาก็เลยถางถางอะไรไปปลูกกุติราดสามหลังคือทําขึ้นเสาขึ้นมา4ต้นแล้วก็มีไม้คานไม้ไผ่โบ๊ะ้าบ้านเขาเก่งนะอย่างนั้นเขาก็สับไม้ไม้ไผ่ทำเป็นฟากนะ สีห้าแผน่นกระปูใช่แล้วก็แนบค่อดีแล้วก็บปักเสาลงพ่อก็ได้ทีนอนสามหลังแถวบ้านเขาไปหลายคนเลประมาณสักสิบคนนะเตาตตตทำเติมตามเติมเขาทําเร็วมากเลยชาวบ้านเราจะเป็นผู้บอกเขาทเองว่าทํำยังไงยังไงอาจากนั้นกัพ่อค่าแล้วก็ก็กลับละสิพ่อกลับแต่ใหลวงพ่อก็กลัวผีเหมือนกันเอ๊ะสิไม่ใช่ตัวกลัวแต่ชาวบ้านเหมือนกัน เออแต่แต่ ต, ต, ต่ถ้าว่าผีไมยากางคือได้ทำไงเพราะหลวงพ่อเดินข้ามไอข้ามคล อ, องไปเนคลอง ข, อ, ขอนของขอนไม้แดงนะ่ะนี่เขวอันตรงนี้แหละที่เขาเลี้ยงหัววัวนะหัวหมูหัววัวเขาเลี้ยงตัวนี้แหละเลี้ยงผีบ้างั่นเออผีเนี่ยเลี้ยงภูมิเน่ยเลี้ยงภูมิเจ้าที่เลี้ยงตรงนี้แหละแต่ในหลวงพ่อก็เดินไปแต่ไปหากุฏิตัวเองแล้วก็อยู่คนละที่กันเด้หา่างกันเนดะ้แปลว่ากูกหากันเกือบจะไม่ได้ยินบ้างนะว่ามันเป็นที่ลับลาบนะ หลวงพ่อไปอีกมุมหนึ่งมีไม้ตะแบกโอ้หลายต้นนะหลวงพ่อกันไปเสร็จแล้วลก็ไหว้พระเสร็จแ้วกัลงไปเดินโยกมเ ด, เ, ดเดินเดินเดินกขบกเขาบอกจะ้่ายผีก็ไม่ม า, าเราเแล้าเราเดินนะเหมือนเออพอไปถึงทีเดพอเดินเหนื่อยผมมาสักสี่ห้าทุ่มเดียเลยห้าทุ่มขึ้นไปนั่งพ่อไปนั่งภาวนาทีเดเยวมัก็จะกลัวผีเนี่ยจนมังวงัวลงไป ไม่รู้ผีมันจะมาอย่างไรงกลัวมันจะมาบีบคอในขณะนอนหลับใช่ไหมล่ะเอ่ออย่างนี้ก็มานั่งพ่อพนโอพอถึงตีหนึ่งกัวกัเท่านนั้นนะมันสู้ไปไปมันเหนื่อยใช่ไหมมันอยากจะหลับเอาไปมาเลยคดขี้โค้ดเลยลับวง่งานเถอะตื่นขึ้นมาเอ้าผีก็ไม่เห็นอะไรเลยว่ะวะพอวันที่สองที่สามท่านะเอ่อพออยู่มาวันที่สามที่สี่เนี่ยเออเหมือนกับเหมือน กับคับคลายขับขาเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาว่าโอ้คฮบาฝนมาอยู่นี่แล้วไปพวกเข้าขึ้นไปอยู่พุ่ซะต่อไปเขาที่เฮ็ดไห้เฮทนาวแต่เนี่ยเหมือนกับพวกชาวบ้านเนี่ยละกันแตอขนของหนีออกจากตรงนั้นนะเออประมาณสักสิบยี่สิบคนนะ่ะเหมือนกับหาบสิ่งของขึ้นไปทางเขานั่นแหละเออพงพ่อกับพักอยู่ที่นั่นประมาณอาทิตย์เดีกว่าฝนตกเลยขึ้นไปบ้านเพิ่มนะนี่แหละ อจากนั้นก็เอาตู้บานเอยเฮ็ดหน้าเฮ็ดไล่เฮ็ดนาได้นะพออบอกภูมิ้นลูกคขาเขาหนีขึ้นไปเขาแล้วล่ะเออทําไร่ทํานาได้แล้วคงไม่มีอะไรละะเออจากนั้นเขาก็เลยทําไร่ทํานาจุดนั้นนะแต่ได้มาพูดถึงพอตู้บานบานี่เอตู้บานบ้านเพิ่มมานี้หลงพ่อหลงพ่อมาสร้างวัดบานาเขาเลยต่อมานะปีสองสามนะ คือมาปี16นะแล้วก็มาสร้างปีสองสาหนาขับน้อยตู้บานก็ไปทางทาทางเดินยงกลมให้เลยท่านก็บอกเข้ามากระกะปลกปลกเนละกูบาคูบาสะนะันเลอที่กูบาเทศกูบาพูดในวันนั้นนะ่ะบอกว่าให้อดทนนะผมนำไปใช้มีเป็นประโยชน์จริงๆนะครับอมันเป็นประโยชน์ยังไงแต่ตู้วะผมได้ฟังวันนั้นนะที่ว่าท่านอาจารย์บอกว่า คนเราไปอยู่นัสถานที่ใดให้มีความอดทนถ้าคนมีความอดทนอยู่นัสถานที่ใดดีทั้งหมดมีขันติคือความอดทนในจิตใจอย่าไปใจเบาอย่าไปใจร้อนให้มีเหตุมีผลในการเป็นอยู่ผมนำเอาไปใช้บางทีผมไปหาบขี้ยางมาจากป่าโอ้โหมันหนักจะไม่ถึงบ้านเอามันหนักแต่ผมอดทนนะ มันก็ถึงบ้านจริงๆเออทีนี้บางทีผมทะเลาะ ก, กับแม่บ้านผมบางทีผมโมโหแต่ผมก็อดผมผมระลึกถึงคําพูดของท่านสองครูบาว่าให้อดทนผมก็เลยอดทนเพราะอดทนได้เออก็ดีจริงๆก็หายกันไปก็ดีกันไปไม่มีเรื่องมีเหลาเออมีหลายเรื่องมากเลยที่ผมได้ยิน ได้ว่าอดทนมีประโยชน์ผมก็เลยใช้ความอดทนตัวนั้นอ่ะโอ้มีประโยชน์สําหรับผมจริงๆครับคูบาวันจันทร์ลงพ่อได้ยินเพียงแค่นั้นลงพ่อโอ้โอดออีถึงจะพูดทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าการพูดนั้นไม่ได้ถึงจิตถึงใจไม่ได้นําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์การพูดก็ไม่เกิดประโยชน์แต่พูดเพียงคำํำสองคำแต่กิ่นใจและก็นําไปประพฤติปฏิบัติได้ หลวงพ่อว่าคําพูดนะั้นมีคุณค่ามีมีประโยชน์มากกว่าที่จะพูดทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อได้พูดอนะั้นพี่น้องจาาตหายาโยมลูกหลานเนอะวันนี้ท่านพูดว่าท่านได้มาเป็นประธานก็ถือว่าเป็นมงคลมหามงคลยิ่งในงานมอบอาคารเรียนของพวกเราในี่แหละลูกหลานเนะช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองอมีประโยชน์เนี่ย แต่เสียได้อย่างเดียวนั้ท่านมาที่ท่านจะท่านจะขยับไปที่อื่นแล้วนี่ท่านว่าท่านจะเดี๋ยย้ายจากเมืองอุดรไปถึงเมืองราชบุรีใช่ไหมท่านผัวนี่แหละเป็นบ้านบ้านของท่านเป็นเมืองราชบุรีแล้วกัท่านบอกว่าคุณแม่ของท่านไม่สบายท่านจะเข้าไปอยู่ท่านอยากจะไปอยู่ใกล้แม่ของท่านเพราะท่านหนีออกจากแม่ของท่าน ไปมาจะไปหลายจังหวัดแล้วแต่บัดนี้ยงแม่คุณแม่ของท่านไม่ค่อยสบายท่านก็เลยจะกลับไปใกล้แม่ไปดูแลคุณแม่ของท่านนี่แหละลูกหลานทั้งหลายถึงท่านจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้นะท่านยังไม่ลืมพระคุณของพ่อของแม่ของท่านนะเพราะฉะนั้นทุกลูกหลานทุกคนน ะ, นะผู้ใดก็ตาม ดำลึกถึงดูแลพักผุลของพ่อของแม่ผู้นั้นมีแต่ความเจริญนะเห็นไหมท่านผู้ว่าของเราเนี่ยท่านมาเป็นผู้ได้เป็นผู้ว่าขนาะนี้ท่านจังดำลึกถึงพระคุณของแม่ของท่านนั่นน่ะขอฝากไว้กับพวกเราทุกคนพ่อแม่เป็นผู้เป็นบุพภารีบุคคลผู้มีอุปการะกร่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญู ก, เกตวเเตวทิตาอย่างไรกับท่านผู้มีอุปการะคุณ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพุทธจบริษัทของพระ อ, องค์นะท่านไม่ให้ลืลมพระคุณของบิดามารดา ไม่ให้ลืมบุญคุณของพ่อของแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วควรจะเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่าน เ, เมื่อท่านช่วยตนเองไม่ได้เราก็ต้องอาบน้ําต้องดูแลทํากิจธุระของท่านจากนั้นก็ดําลงวงศ์สกุลดําลงวงศ์สกุลอย่าไปคนอย่าไปเป็นคนเกเร อ, อย่าไปคนไม่ดีดําลงวงศ์สกุลสืบพ่อจากพ่อจากแม่ดําลงสกุล แล้วก็ประพฤติตนให้สงวรควรรับทรัพย์มรดกเ อ, อเมื่อพ่อแม่หาหมรดกมาให้แล้วนะี่ยเราจะไปกินเหล้าเมายาไปจะไปกินยาม마ยยาม마ยาบ้าคันซายาฝิ่นเ อ, อแล้วเป็นรถเล่นโบกเล่นไพ่ท่านทาทให้ท่านไม่สบายใจเอ้ยถ้ากูมอบที่ไร่ที่นาให้อันนี้แล้วนะมอบสวนยางให้ละมันเล่นโบกเล่นไพ่มาเล่นการพนันมันกินยาบ้ายามา้าอย่างนี้ เออมันจะเอาไปขายแล้วกั น, นั่นแหะเอาไปถลุงเงินของกูซะละกัมากเนี่ยพ่อแม่ไม่สบายใจเพราะนั้นเราต้องประพฤตินตนให้เป็นคนดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำนะให้เป็นให้พ่อแม่เป็นที่ไว้หนึอเชื่อยใจเป็นที่สบายใจยที่ท่านจะมอบมรดกให้กับพวกเราเนี่ยให้ลูกหลานทั้งหลายคิดนะอ่านี่แหละนีะ่วะประพฤตินตนให้สมงวรควรรับทรัพย์มรดกนะ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านในเมื่อเราพ่อแม่จากไปแล้วลวกเราที่อยู่เบื้องหลังสมบัติของท่านยังอยู่กับเราสมบัติของท่านคืออะไรคือเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าตาหัวจบอบลิ้นร่างกายทุกส่วนเราได้มาจากแม่นะแม่เอาให้เราพ่อแม่เอาให้เราเพราะฉะนั้นพ่อแม่จากไปแล้วก็จริงอยู่แต่สมบัติ อยู่กับเราอยู่เราก็ไปทำบุญที่ใดเออดวงวิญญาณของพ่อของแม่นะเน อ, อสิ่งศัดิสิทธิ์โนยะที่ใดทินใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าที่ได้ทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้ด้วยเทอเนะอันนี้เวลาเราไปทำบุญนะสถานที่ใดนะเราก็ควรจะอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ของพวกเราด้วยนะวันนี้ที่ได้กล่าวสมโธนิยกาถา ก็เบื้องต้นก็ได้กล่าวเรื่องความเป็นมาของโรงเรียนต่อมาก็กล่าวประวัติที่หลวงพ่อได้มาพบมาเจอกับพี่น้องชาววังแค่และก็พร้อมกันก็ได้พูด เ, เรื่องขันติคือความอดทนในเมื่อเรามีความอดทนไปอยู่ณสถานที่ใด อ, อ, อดทนต่อคำพูดอดทนต่อผู้ใหญ่อดทนต่อผู้น้อยอดทนต่อผู้ร่ยกว่าอดทนต่อดินฟ้าอากาศ อ, อ, อดทน มีคันติคือความอดทนแล้วก็ใช้ปัญญาในเรื่องนั้นๆด้วยมีคันติด้วยมีความเพียรด้วยมีปัญญาด้วยเราไปอยู่นสสานที่ใดเอาตัวรอดมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขถ้าหากว่าพวกเราใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาการกล่าวสัมโมทนจกรถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา